น้อยคนนักที่โดนมาอย่างไรแล้วคิดจะไม่ทำอย่างนั้นกับคนอื่นทูนกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมคนเราโดนมาอย่างไรก็ไปทำกับคนอื่นอย่างนั้นน้อยนักที่โดนมาอย่างไรแล้วคิดจะไม่ทำอย่างนั้นกับคนอื่นเด็ดขาดกรรมของคนส่วนใหญ่จึงเป็นไปเพื่ออารมณ์เศร้าหมองตามกัน รู้ทั้งรู้ว่าผิดแต่ก็ไม่มีกำลังใจไม่เป็นตัวของตัวเองพอจะทำให้ถูกขาดแรงบันดาลใจจะสร้างความเบิกบานให้คนอื่นเพื่อจะได้ความเบิกบานกลับมาเป็นของตนเองถูกเลี้ยงมาแบบไม่แยแสก็เลี้ยงคนอื่นแบบไม่แยแสเคยโดนคนอื่นระบายอารมณ์ใส่ไว้อย่างไรมีโอกาสก็ระบายอารมณ์ใส่คนอื่นอย่างนั้นตอนไม่มีเงินเคยถูกใครจิ้งคว้างไว้อย่างไร ตอนมีเงินก็ทิ้งคว้างคนอื่นอย่างนั้นตอนเป็นลูกน้องถูกกดขี่มาอย่างไรตอนเป็นเจ้านายก็กดขี่ลูกน้องอย่างนั้นต่อเมื่อมีธรรมะเป็นหลักเป็นกาลังใจนำตัวเองทวนกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมได้ความเคยชินแบบเตะมาเตะกลับจึงเปลี่ยนแปลงเรารู้แล้วว่าทุกคนมีกรรมเฉพาะตน แต่ละคนทำกับคนอื่นเดียวเดียวเท่าสะสมนิสัยสะสมกองบุญกองบาปให้ตนเอง น, น, นานๆและตนนั่นเองที่จะต้องเดินทางไกลไปพร้อมกับกองบุญกองบาปที่สะสมไว้แม้แต่นิสัยทางความคิดประเภทโดนอย่างไรไม่ทำอย่างนั้นก็ติดตามตัวจากชีวิตนี้ข้ามไปสู่ชีวิตอื่นได้แม้ไม่ทราบว่านิสัยทางความคิดดีๆเกิดขึ้นเองได้อย่างไร แต่ก็เต็มใจรักษานิสัยทางความคิดนั้นไว้ไม่เลิกรา